คำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ยอย่าส่งใจออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวของตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังเรื่องอดีตล่วงมาแล้วก็อย่าเ ก, ก็บเอามา ไว้ในใจเรื่องอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงหาเรื่องใดที่มันปรากฏอยู่ในใจของเราอันเป็นปัจจุบันนี้ก็ให้พึ่งกำหนดรู้เรื่องนั้นเสมอเสมอไปเรื่องที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรก็คือกายกับจิตนี้เองเนี่ย <c oughs> ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกนั้นคือดวงจิตนี่นี่แหละที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่นะไปพึ่งพากันเข้าใจพระศาสดาทรงสอนให้เรา ผู้บาเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้กําหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลัก mm hmm. ส่วนมากจิตใจของคนเรานี่ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งสายไปทั้งในอดีตบ้างอนาคตบ้าง <c oughs> ไม่ค่อยได้มาเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันเท่าไหรนะ่นัก มาอยู่ก็ประเดียวเดียวเท่านั้นแหละไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคนเรานะเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติอะไรมาแล้วมันถึงได้เดือดร้อนกันเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่ได้น้อมใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งใจวกแวกไปตามอารมณ์ภายนอก ดังนั้นพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจิตใจตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็วันไหวสะดุ้งหวาดกลัวบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างหรือว่ากโกรธบ้างไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องเรื่องใดเกิดขึ้นจิตใจวันไหวไปตามเรื่องนั้นพูดง่ายๆ <c oughs> เมื่อเรามีศรัทธาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระเถเจ้าอย่างนี้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องมีสติสมบัติชนะควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตมันมีอยู่ในปัจจุบันนี่ลองสังเกตดูทำไมเชื่อเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี่ไอ้ที่ล่วงมาแล้วมันก็นแล้วมาแล้วนี่อนาคตก็ยังไม่ถึงนี่ลองคิดดูสิ เรื่องใดๆเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละ <c oughs> ดังนั้นเมื่อผู้ใดมาตั้งกิตแต่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมันก็รู้ชัดตามปจริงอย่างนั้น ที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละขอให้เข้าใจกันบันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติทาแล้วก็เอาละขอให้พากันฝึกจิตใจตัวเองให้มันแน่วแน่ยอยู่ในปัจจุบันให้ได้เมื่อมันแน่วแน่ยอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็ไม่ลืมกายลืมจิตนี่ หมายความว่าตัวเองไม่ลืมตัวเอง mm hmm. มันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลย mm hmm. เ, พเพราะว่ากําหนดดูอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะแปรผันอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึง่งก็เป็นอย่างหนึง่งอันร่างกายอันนี้นะลองสังเกตดูกันแล้วกันแหละแต่ละวันแต่ละคืน อย่าส่งใจไปที่อื่นลองดูกำหนดดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกนี่ดูถ้ามันจะเห็นละเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เห็นความทุกข์ของร่างกายจิตใจอันนี้เห็นได้แน่แน่เลยทีเดียวเห็นอนัตตาความบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังของร่างกายอันนี้ <c oughs> มันจะเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงของชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้น <c oughs> ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เบื่อหน่ายเลย <c oughs> หายใจเข้าก็เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์ หายใจออกก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรทำไมจึงว่ามีแต่ทุกข์ก็มีแต่สิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้นี้ในร่างกายอันนี้ <c oughs> มีแต่มันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นนะความแปรปรวนวันไหวไปมาอยู่นั่นแหละคือลักษณะของความทุกข์ให้พากันเข้าใจเราจะไปหาตัวทุกข์อย่างอื่นนั้นไม่มีหรอกไม่พบ เราหาดูเรากําหนดดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่นะอันนี้แหละมันเราจะเห็นความทุกข์เราจะเห็นความทุกข์ของร่างกายวันนี้อยากเห็นความทุกข์ของดวงกิดนี่ก็ในเมื่อดวงกิดนี้ได้กระทบกระทั่งได้รับความกระทบกระทั่งจากเรื่องภายนอกบ้าง กระทบกระทั่งจากร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี่บ้างเมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่านะมันก็จะวันไหวล้วทีนี่เสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างโกรธบ้างคุนเคืองบ้างทำว่าเป็นเช่นนี้ก็รู้ตัวได้เลยว่าจิตนี่เป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนี้นะมีแต่ทุกข์มีแต่วันไหวหาความสงบไม่ได้เลย จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของกิเลสมีแต่ทุกข์พูดง่ายๆถ้าจิตปล่อยวางกิเลสได้มีแต่สุขเพราะเมื่อจิตมันปล่อยวางกิเลสลงไปแล้วมันสงบนี่เรื่องมันนะมันสงบมันเย็นเช่นอย่างว่าปล่อยวางความโกรธลงได้อย่างนี้นะ ใจมันก็เย็นสบายนี่ไม่ใช่เหร อ, อเวลามันโกรธอยู่นั่นร้อนเหมือนไฟอย่างนี้แหละถ้าจิตปล่อยวางความหลงความไม่รู้ความสงสัยรังเลต่างๆหมดนี่เมื่อจิตปล่อยวางลงไปแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็เย็นสบาย เพาะสิ่งใดที่ไม่รู้แต่ก่อนมามันรู้นี่เมื่อมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยในเรื่องนั้นมันก็สบายใจ mm hmm. ที่มันไม่สบายก็เพราะมันไม่รู้มีแต่สงสัยอยู่นั้นเอบุญนี่เป็นยังไงหนอบาปเป็นยังไงหนออย่างนี้นะถ้าเพ่งวิจารณาไปเรามืดตื้อไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไง ไม่รู้ว่าจิตตัวเองนี่มันยึดเอาบาปไว้หรือเอาบุญไว้ก็ไม่รู้เลยอย่างนี้นะอันนี้เราเรียกลักษณะความหลงนะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มันก็ทุกข์ไม่ใช่เหรอคนเราถ้าหากว่าจิตใจนี่ลังเลสงสัยอะไรต่ออะไรแล้วมันไม่มีความสบายเลยมันก็มีแต่ทุกข์ทนทรมานใจอยู่งั้นแหละ อุปมาเหมือนยังคนหลงทางเข้าป่านั่นน่ะดันดอนซอนป่าไปหวังว่าจะให้มันทะลุกออกที่ทุ่งกว้างมันไม่ทะลุกออกสักทีมีแต่เข้าป่าเข้ารกไปเรื่อยๆอย่นี้มันก็อึดอัดใจเต็มทีแล้วหาความสบายใจไม่มีเลยในเมื่อยังไม่รู้ทางที่ถูกต้อง ยังเข้าใจาว่าตนหลงทางอยู่นี่นะมันก็มันก็ยิ่งร้อนใจใหญ่เลยในขณะที่ง่วงหาทางอยู่นั่นนะ่ะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหลอะอแต่หลงทางภายนอกนะมันก็ยังเดือดร้อนอยู่แล้วทีนี้มันมาหลงทางไปสวรรค์หลงทางไปพระนิพพานนี่มันก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เพราะว่าบุคคลย่อมมานึก ถึงตัวเองว่าเอ๋เรานี่ตายแล้วจะไปตกนรกหรือจะไปเป็นเปรตหรือจะไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่นอหรือจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าตัดสินใจไม่ได้เลยออย่างนี้เมื่อมันคลางแคลงสงสัยอยูน่นี่มันก็เดือดร้อนเนี่ยหาความสบายไม่ได้เลย ดังนั้นแหละการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นการกาจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆออกจากกิจใจหรือการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาแต่ก่อนมันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นขึ้นมาเมื่อได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้ว หรือได้ภาวนากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์จนว่าใจนั้นสงบลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อใจสงบลงอย่างนั้นแล้วเราคิดอะไรก็ออกปะเนี่ยคิดอะไรก็คิดได้ไอคนที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ออกนั้นเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันบางทีก็ ความง่วงเงาเหานอนครอบงำเสียอันนี้ก็อดัดอัน้นตันปัญญาเมื่อมีแต่ง่วงอย่างเดียวบางทีก็เกิดความรักความใคร่ในเรื่องต่างๆขึ้นมาอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วไม่มีไม่มีปัญญาแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาอย่างว่านั่นหรือว่าเกิดความสงสัยลังเลอย่างที่ว่านั้นเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็ไม่แล้วปัญญาไม่มีแล้วเราจะมามองดูชีวิตนี่หเห็นตามเป็นจริงไม่ได้เลยจิตใจเป็นอยู่นั่นนะ่ะดังนั้นให้เพิ่งพากันเข้าใจไว้เราต้องฝึ ก, กจิตใจนี่ให้มันสงบลงไปโดยที่เราตั้งสติกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็เอาละทีนี้ตั้งสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเพื่อประสงค์ที่ไม่ให้จิตมันคิดไปภายนอกนั่นแหละการที่เราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พากันเข้าใจความหมาย ถ้าหาว่าไม่ยืดอารมณหายใจเข้าออกนี่เป็นอารมณ์อยู่แล้วมันไม่อยู่จิตนี่นะ่ะมันไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันเคยคิดไปยังไงมันก็คิดส่งออกไปข้างนอกโน่นนะ่ะให้พากันเข้าใจทำอะไรไม่เข้าใจความหมายนั่นมันไม่มันไม่ตั้งใจทำหรอกเพราะมันไม่รู้จักหยุดหมายนี่เพราะฉะนั้นอาจึงได ชี้แจงจุดหมายให้ฟังนั่นเนี่ยอก็ให้จําเอาไว้ <c oughs> เพื่อให้จิตใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นในขั้นแรกนี่เน่ะไม่ได้มุ่งว่าจะให้มีปัญญาจะให้รู้นั่นรู้นี้ก่อนยังนในขั้นนี้ไม่ต้องการรู้อะไรเพียงแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันหยุดคิดส่งออกไปข้ขางนอกนี่ ความหมายนะ่ะให้มันสงบแน่งวงอยู่ภายในนี่พร้อมด้วยสติประครับประคองอยู่ <C oughs> เมื่อเราประครับประคองจิตที่มันสงบอยู่นั้นไปพอสมควรเห็นว่าจิตนี่มันตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วอย่างนี้อยากจะรู้อะไรก็กาหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาได้ มันจะรู้จะเห็นเรื่องนั้นขึ้นมาแหละอ่าปัญญามันจะเกิดขึ้นจากสมาธินั่นนะเกิดจากใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั่นนะนั่นแหละปัญญามันจะเกิดจากใจที่สงบตั้งมั่นอยู่นั่นแหละอ่าให้เข้าใจกันอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิภาวนาไม่ใช่เกิดจากการเรียนการจำเอาคำสอนตามตำรับตารานั้น มาพิจารณาไม่ใช่ทำใจสงบลงก่อนเมื่อใจตั้งมั่นลงเป็นหนึ่งแล้ววันนี้ต้องการอยากรู้เรื่องอะไรก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาต่อเป็นองั้นในหลักพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารร่างกายนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลย <c oughs> ทั้งนี้เพราะเหตุว่าดวงจิตอันนี้นะ่ะมันสําคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนอ ม, มันเป็นตัวเป็นตนนี่นะสําคัญนําเป็นก้อนแข็งแรงแข่งขันอยู่อ ม, มันสําคัญอยู่อย่างนี้จิตใจอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาลงไปใจสงบแล้ว มาพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนเลยแบนี้มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเลยมองดูตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงนานไปมันก็หงอกก็ขาวก็หล่นลงไปอย่างนี้จะเอาอะไรมาเที่ยงผมก็ดีขนก็มันกันเล็บก็เหมือนกันนะย ฟันก็เหมือนกันอย่างนี้นะหนังก็เหมือนกันนะอยู่นานปีนานเดือนไปก็เหี่ยวยน่นตกกระไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลยแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันหักไม่ดูนะมันหักไม่เบื่อไม่ไน่ายนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะ <c oughs> แต่ถ้าใจมันตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว แห่งดูแล้วมันมันเบื่อจริง อ, ะอ่ะมันมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าหวงแหนเป็นสิ่งที่ควรปรองควรวางไว้ตามสาภาพเอาใครจะสรรเสริญก็ยอมให้เขาสรรเสริญใครจะนินทาก็ยอมให้เขานินทาเราไม่หวงนี่ถ้าพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านั่นน่ะ มันก็ละความหวงอันนั้นลงได้ใครจะสรรเสริญหรือนินทาความรู้สึกของจิตใจนี่ก็เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงใครสรรเสริญก็ไม่เผิดเพลินดีใจใครนินทาว่าร้ายก็ไม่เสียใจเพราะไม่หวงนี่เมื่อไม่หวงแล้วมันจะเสียใจทำไมอ่ะที่มันเสียใจหรือมันโกรธมันขุนเคืองก็เพราะมันหวงนี่ มันหวงเห็นว่าเป็นของเราอ่ ะ, อะมันหวงว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราอย่างนี้นเอาอวะยวะร่างกายน้อยใหญ่เป็นของเราเนี่มันหวงอยู่อ่างนี้อ่าแล้วจะไม่ให้มันโกรธยังไงล่ะเขามาติสินินทาน ะ, ะ <c oughs> ให้พากันเข้าใจ เมื่อไปหวงว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่หรอถามตัวเองดูสิยอมให้ใครเขานินทาว่าร้ายไม่ได้เลยอย่างนี้แต่เราจะไปห้ามคนได้ยังไงเราในโลกอันนี้เมื่อเขายินดีกับเราเขาก็สรรเสริญยกยอเราว่าเราดีอย่างโน่น อ, อย่างนี้ถ้าคนไหนที่เขาเห็น เขาเห็นเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ดีในทัศนะของเขานะเขาก็นินทาให้อย่างนี้แหละเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นี่เราจะไปห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้ mm hmm. เนี่ยถ้าหาว่าผู้ใดจิตของผู้ใดมาหวงร่างกายอันนี้อยู่แล้วก็แน่นอนนะไม่ไม่มีความผาสุขแล้ว ก็ย่อมเสียใจย่อมดีใจสลับกันไปอยู่งั้นเนี่ยดีไม่ดีก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้ายิ่งเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อไปก็เพราะโทษที่มาหวงอัตภาพร่างกายนี้เองเนี่ย <c oughs> อย่างเรื่องนางอุตรากับนางสิริมาเนั่น นางอุตรานั่นเป็นพระโสดาบันนางสิริมาเป็นปุถุชนทะเลาะกันนางสิริมาตักน้ำเข้าต้มร้อนๆเป็นลสศีสระนางอุตรานางอุตราไม่โกรธเลยแล้วน้ำเข้าต้มก็ไม่ได้ลวกนางอุตราเจ็บปวดอะไรเลยลูกน้องของนางอุตรารุม ชกกลุ่มตีนางสิริมาปนันนางอุตตรายังไปห้ามลูกน้องไว้ไม่ให้ทุบไม่ให้ตีเพื่อนตรงไหนที่ลูกน้องทุบตีเป็นบาดเป็นแผลเอา้าเอายามาใส่ให้โน่นจิตใจของพระโสดาบันนะลองฟังเอาสิ <c oughs> ทีนี้นางสิริมาก็ พอหายโกรธแล้วก็รู้สึกตัวได้แหมมีแต่เราโกรธเพื่อนฝ่ายเดียวเพื่อนไม่โกรธเราแม้แต่น้อยเดียวเลยถ้าหากว่าเพื่อนโกรธเราเพื่อนปล่อยให้ลูกน้องสักกลัมเรานี่เราตายแล้วปานนี้นางอุตลรานี่มีคุณต่อเรามากมายหนอ mm. จึงได้ขอโทษนางอุตรานางอุตราพาไปเฝ้าพูะเทเจ้า ไปกราบทูนเรื่องราที่เป็นมาถวายพระพุทธเจ้าคูยเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบลงนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันแต่ก่อนนี้นางสิริมาสำคัญว่าตนรูปสวยรูปงามไม่มีใครสู้ได้ไปแย่งเอาหัวเขา <c oughs> พอได้ฟังทาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยมาเห็นแจ้งในอัถภาพร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัว ต, วตนอะไรก็ถึงได้ละความโกรธความพยาบาัตเพื่อนออกได้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตตูน <c oughs> อันนี้แหละเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่ถ้าผู้ใดเห็นแนวทางอย่างว่า น, นี่โดยท่องแท้ด้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบัติไปตามทางนี้แล้วไม่มีผิดแหละยอมสมหวังแน่นอนทีเดียวมันจะไม่สมหวังยังไงเล่าการที่บุคคลจะไปนรกอบายภูมินั่นน่ะ ก็เพราะความโกรธความพยาบาทจองเวรกันเบียดเบียนกันนี่เองแหละไม่ใช่เรื่องอื่นใดนี่ลองคิดดูสิบุคคลจะทําทบาปนะมันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละท่านเรียกว่าทําบาปนะไม่ใช่อย่างอื่นถ้าใครเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วผู้นั้นไม่ได้ทําบาปเลยอไม่ได้ทําบาปแล้ว <c oughs> ไอเรื่องนี้มันก็ต้องคิดให้เห็นด้วยตนเองแหละถ้ามันไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้ เ, ออเป็นอย่างนั้นลำพังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังถ้าเมื่อตนไม่น้องเข้าไปพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองมันก็ไม่ยอมละบาปนั้นไม่ยอมละแม้ความโกรธเสียดายมันหลาย กลัวใจไม่ได้ทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนบ้านแล้วก็เลยหวงความโกรธนั้นไว้เอเมื่อหวงไว้แน่นอนแล้วเอาไปเอามา น, นอนถูกเพื่อนด่าว่าเอาแล้วก็ตัวก็ทนไม่ไหวแล้ว อ, อก็ต้องแสดงบทบาทออกไปเห็นเป็นอย่างนั้น <c oughs> แม่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้ก็เหมือนกันแหละ ต่างคนต่างไม่ภาวนาไม่กำหนดพิจารณาร่างกายอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็คอยแต่จะทะเลาะวิวาดกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะต่างคนต่างก็หวงนี่หวงร่างกายสังขารนี่ไม่ต้องการให้ใครมาตำหนีตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวมันก็มายากลำบากกับความหวงแหนนี่เองแหละ เหตุที่มันเดือดร้อนกันเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขไม่ได้ก็เพราะมันหวงต่างคนต่างหวงร่างกายอันนี้ใครว่าอะไรให้หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยถ้าเป็นเช่นนี้มันจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยังไงอะ่ะอย่าไปประกาศตนว่าตนปฏิบัติธรรมถ้าผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้นะ่ะ ถ้าไปประกาศตนอย่างนั้นก็นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็หัวเราะ <c oughs> ถ้าหาว่าเรามีศรัทธาจากเป็นผู้ปฏิบัติทมจริงเราก็ต้องยอมเสียสละความหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้ลงอย่างที่ว่ามานั่นแหละสละลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างนี้แล้ว มันสะดวกทุกอย่างเลยนะมันคล่องตัวทีเดียวแหละทำอะไรก็คล่องแคล่วแล้วทำอะไรร่วมกันก็ไม่ระหองระแหงไม่ระแวงสงสัยกันเลยเพราะว่าไม่ได้สำคัญว่ามีตัวมีทนอยู่ในนี้นี่ อันนี้แหละให้พึ่งพากันเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอสมอไปนะไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรหรอกเรือว่าสรรหาเอาเรื่องราวที่ที่พอที่จะเข้าใจได้ไง่ายๆมาพูดสู่กันฟังหรือว่าสรรหาเอาแนวทางปฏิบัติ ทางลัดทางตรงมาพูดสู่กันฟังทางลัดทางตรงนี่แหละถ้าบุคคลไม่ตั้งใจจริงจังแล้วมันก็ลัดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเดินทางโค้งอีกแล้วอเป็นอย่างนั้นธรรมดาเดินทางลัดนี่มันจะมีขั่วกมีหนามอยู่บ้าง ม, มันจะมีหลักมีตออยู่บ้างก็ต้องถากต้องถานกันไป ก็อย่างที่กล่าวมานี่เองแหละเราเดินทางรัตนี่เราใช้ปัญญาสอนจิตตี่ให้มันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอะ่ะให้มันเห็นอยู่นี่ตลอดเวลาไปเลยอย่างนี้นะอย่าให้มันสําคัญติดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะ่ะใช้สติใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปเพราะว่าจิตนี้ถ้ า, าว่าไม่เตือน ตนบ่อยๆแล้วมันหมูกมันจมคือมันจมอยู่ในทิฏฐิความเห็นอันนั้นน่ะความเห็นว่าเราว่าเขานั่น่ะมันจมอยู่ในนั้นเรื่องมันนะ่ะมันไม่ยอมสลัดความเห็นนั้นทิ้งนี่ให้เข้าใจกัน <c oughs> ถ้าหาว่าเราหมั่นใช้ปัญญาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้า มันสามารถงัดเอาความเห็นนั่นออกมาทําลายมันได้เลยอ่าเอ้ยเห็นอย่างนี้มันไม่ถูกทางอะ่ะอย่างนี้มันมันสามารถสอนตัวเองได้เห็นว่ามีเรามีเขานี่อย่างนี้ไม่ถูกทางเมื่อมีความเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่เพียง ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น mm hmm. เมื่อกระจายออกแล้วมันก็มีแต่สภาวิธาตุเท่านี้เองมันจะมีอะไรล่ะ mm hmm. แต่ว่าจิตนี่มันไม่ชอบคิดเรื่องมันน่ะมันไม่ชอบคิดดูอัตภาพร่างกายนี้แต่มันชอบคิดไปแต่เรื่องอื่นนู่นมันคิดไปแต่เรื่องสมมุติบรญยัต มันติดสมมุติติดบัญญัติเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้ชอบหลายเมื่อเข้าหากันแล้วก็ไม่มีอะไรละมีแต่ไปหยิบเอาเรื่องคนโน้นมาวิจารณ์หยิบเอาเรื่องคนนี้มาวินิจฉัยอยู่งั้นแหละ เนี่ยเรียกว่ามันหลงสมมติน่ะให้พากันเข้าใจถ้าผู้ที่ไม่ไม่หลงสมมุตินี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องปารบถึงเรื่องของใครอ่ะไปรบแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแหล ะ, ะทำยังไงจิตนี่มันจะปล่อยวางขันห้านี่ได้ก็เอาเละสอนมันลงไป สอนให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวาง อ, อันธรรมดาจิตนี้ถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาสอนมันนะมันมันไม่มีความฉลาดเฉลียวอะไรออ ม, มันมีแต่มันยึดถือเอาไว้อยู่นั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ตื่นตัวสรุปแล้ว อันนี้ก็อย่าไปฟังเฉยๆนะเอาไปคิดดูให้มันรู้มันเห็นโดยตนเองไม่ใช่ว่าว่าให้ฟังเร่ยๆไปเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีทางนะมันจะรู้ได้นะเรื่องใดสำคัญสำคัญแล้วเราต้องน้องเข้าไปคิดไปกรองดูให้มันเห็นชัดโดยตนเองท่านแสดงอย่างนี้นะมันมีความจริงเพียงไหน อย่างนี้นะเราน้อมเข้าไปตรีไปตรองดูภายในนุ่นมันจะเห็นเป็นยังไงไปเหมือนอย่างเช่นที่ว่าเมื่อตะกี้นี่แหละว่ากีเรสพันห้าตันหาร้อยแปดมันเกิดขึ้นในดวงจิตของคนเราเนี่ยเพราะความยึดถือนี่แหละเป็นมูลเหตุมเมื่อยึดถือแล้วมันก็วิตกวิจาร์ไป พอวิตก ว, วิจารไปมันก็เกิดเป็นกิเลสหลายสิ่งหลายอย่างไปอ่อ <Ừ. S 1> หลายเรื่องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ยึดถือปล่อยวางเสียมันก็ไม่ได้วิตก ว, วิจารณ์เมื่อไม่วิตก ว, วิจารณ์้ะกิ่งก้านสาขาของกิเลสก็งอกออกไม่ได้อ <Ừ. S 1> มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะ <c oughs> ดังนั้นให้พากันเข้าใจคนเรานี่มันห้ามจิตตัวเองไม่ได้บังคับจิตตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกอันสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้อยู่นี่นะทุกคนก็รู้อยู่ดีๆนี่แหละว่ากิเลสนั่นมันมีโทษอย่างโน้นมีโทษอย่างนี้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสอนจิตหรือบังคับจิต จิตตัวเองให้ละมันได้มันอยู่ตรงนี้เองนะเนออี่ยขอให้เข้าใจกันท่านภูรากิเลสได้นั้นเพราะว่าท่านสามารถบังคับจิตตัวเองได้<ม>เริ่มตั้งแต่การทำจิตให้สงบนี่มันก็เป็นเรื่องบังคับทางนั้นแหละอันมุนี่กวดีนะถ้าว่าไม่อาศัยสติ ขมจิตนี่ไว้แล้วมันจะสงบลงไม่ได้เลยนี่การข่มลงไปนี่แสดงว่าบาังคับมันแหละบังคับให้มันหยุดคิดหยุดนึก ม, มันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ควรคิดไม่คิดมันเลยหยุดต้องหยดุดไม่หยุดไม่ได้ถ้าไม่หยุดขืนคิดหน่อยก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเป็นของละเอียดละออจนมองไม่เห็นจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้กิเลส ท, ทั้งหลายนะขอแต่ว่ามาฝึกจิตตัวเองนี่นะให้มันได้ก็แล้วกันแหละบังคับจิตตัวเองให้มันได้แล้วอันเรื่องของกิเลสไม่ยากเย็นเลยอ เพราะว่ากิเลสนั่นมันก็จิตดวงนี้เองแหละสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วกิเลสมันมาสวมเอาเลยนี่ไม่มีไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นล้วนแต่จิตสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละเช่นอย่างความรักอย่างนี้นะอยู่ดีๆมันจะรักขึ้นมาเองไม่มี ตามันต้องไปเห็นรูปสวยๆองงามก่อนแล้วมันยังเกิดความรักขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นถ้าตามันเห็นรูปสวยๆองางามอย่างนั้นแล้วสติหรือปัญญามันทำลายความเห็นอันนั้นลงไปซะไอ้สวยงามนั้นเป็นได้เพียงสมมุติของโลกแต่ถ้าว่าโดยปรมัติ์แล้วไม่มีอะไรสวยงามมันเป็นได้เพียงสภาวะธาตุ ประชุมกันอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงเท่านั้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีเลยถ้าว่าปัญญามันตามเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะเอาความรักมาแต่ไหนในรูปนั้นจิตมันก็ไม่ได้สร้างความรักขึ้นในรูปนั้นเลยนี่แต่นี้มันไม่เห็นอย่างนั้นนี่มันเห็นไปตามสมมติของโลกอยู่นี่จิตอะ โลกเขาสมมติว่าสวยคิตมันก็เห็นสวยไปตามอย่างนี้นะจะไม่ให้มันรักให้ยังไงล่ะอืมแต่ถ้ามันปัญญามันเกิดแล้วมันมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันยอมวินิจฉัยก่อนก่อนที่จะเกิดความรักขึ้นมาในใจน่ะรูปนี้มันเป็นยังไงทําไมเขาจึงสรรเสริญก็ว่ามันสวยนักหนา อา้าวใช้ปัญญาอยกางเนี้ ย, ยดูแล้วไม่ในที่สุดก็รู้ชัดเลยแล้วไม่ไม่ไม่สวยตามข ค, ความนิยมสมมุติอะไรไอ้ที่มันสมมุติกันอยู่ในโลกอันนี้มันหลงต่างหากต่างคนต่างหลงหลงสมมุติเลยวิ่งไปตามสมมุติมันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบคุคคลใดรู้ตัวแล้วนะพูดให้ตื่นตัวแล้ว มันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้ทันทีแหละอ๋อนี่เรามันหลงสมมุติต่างหามันถึงได้เป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนิทานนิทานกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตัวหนึ่งไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลบ้านี้นอนหลับสบายไปแล้วลูกตาลมันหล่นลงกระทบกับใบตาลเข้าอย่างแรง สะดุ้งตื่นขึ้นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรนึกว่าแผ่นดินมันถลม่มวิง่งไปอย่างใหญ่โตเลยอ้อาวสัตว์อื่นที่เห็นเขา้าถามอ่ะเอ๊ะวิ่งอะไรหอบผืดมาอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เพื่อนแผ่นดินถลมม่มอ่ะไม่ไหวนะ อา้าวสตว์เหล่านั้นได้ยินเข้าแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาหมายเขาวิง่งตามกันเลยในที่สุดจนไปเจอไอ้ราชสีเข้าราชสีจึงห้ามหยุดก่อนหยุดก่อนขอถามก่อนนะมันเรื่องอะไรกันนี่วิ่งเป็นฝู่งมาอย่างนี้เพระพราะราชสีรู้เขานั้นก็รู้แล้วราชสีมีปัญญานี่ไหนไหนพาเราไปดูสิ อย่าฟึ่งไปเดี๋ยวไปก็ไปตกทะเลตายอะ่ะไปดูซะก่อนขอราชสีห์ห้ามอย่างนี้ก็หยุดกันก็ตามราชสีห์ไปพอไปพิสูจน์ดูที่ไหนได้ลูกตาลมันหล่นลงใส่ใบาตาลนนงหกกระต่ายนั่นมันตื่นทั้งหลับทั้งฝัน <c oughs> อันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั่นแหละคนเราที่หลงสมมุติบัญญัตในโลกนี้ มันก็เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมอย่างที่ว่านั่นแหละให้พากันเข้าใจในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไระมันก็มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นความจริงของสังขารทั้งหลายนะสิ่งที่ไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพาน สิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นท่านเยวาสังขาร<ม>ก็ให้พากันสรุปลงให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเราพิจารณาอะไรลงไปแล้วสรุปลงไม่ได้แล้วมันก็จบลงไม่ได้เลย <c oughs> เมื่อพิจารณาลงไปกระจายออกไป กระจายออกไปดูรายละเอียดของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆแล้วก็มาสรุปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีเท่านั้นมันก็หายสงสัยเมื่อมันหายสงสัยแล้วมันก็ไม่หลงรักมันก็ไม่หลงชังเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน มีความรู้สึกอะไรในทางจิตใจก็สักแต่ว่ารู้สึกไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยเห็นแต่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงนี่การที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระ ง, งับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้รู้ความจริงของสังขารทั้งมวลดังกล่าวมานี้เองแหละ สังขารที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นก็แปรปรวนใน่ามกลางในที่สุดก็แตกดับไปมีเท่านี้เองจิตที่มารู้ความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่วันไหวไปตามสังขาร น, นั่น <c oughs> มันจะวันไหวไปทำไมเพราะขืนวันไหวไปก็เป็นทุกข์นี่ <c oughs> คนไม่รู้แจ้งน่ะเมื่อของรักของชอบใจมาพลัดพากจากไปก็ร้องไห้ลำไล เ, ออเพราะเสียดายอะไรนะักของรักของชอบใจนั่นนั้นทางนี้ก็เพราะอะไรเนาะ ก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวมานั่นเองแหละแต่ถ้าได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นเสมอเสมอไปแล้วมันจะไม่เสียใจเศร้าโศกกับอะไรทั้งนั้นเลยเมื่อความเห็นความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะ บรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็อ่อนกำลังลงเป็นอย่างนั้นมีแต่มันอ่อนกำลังไปเรื่อยๆแหละเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันนี่ไอพ่อแม่ของกิเลสจริงจังแล้วก็คือความรักความชังความหลงนี่อันนี้เป็นพ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเราทำลาย พ่อแม่ของกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้ลงแล้วบรรดาลูกลูกหลานหลานของกิเลสมันก็มวยมอนไปตามกันนั่นแหละมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอะ่ะ mm hmm. เหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อเราขุดเจาะเข้าไปที่รากแก้วรากฝอยมันตัดรากแก้วรากฝอยมันขาดออกไปแล้วมันไม่สามารถจะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้แล้วมันก็เฉาตายเท่านั้นเองเนะี่ย มันจะมีอะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเละเมื่อเราเพียรพยายามละความรักละความชังละความหลงนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้เท่าไหร่แล้วก็บรรดากิเลสอื่นๆมันก็เฉาตายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะอ่าเช่นความโศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลําพัน์ต่างๆมาหนนะมูนั้นนะ มันก็เฉาตายไปหมดแหละ <c oughs> ให้พากันเข้าใจ <c oughs> อย่าพากันอยู่เฉยๆการที่เราปฏิบัติทำนะ่ะต้องให้มีความภาคเพียรพยายามตะเกียกตะกายต้องมีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอ ี่การที่มีอุบายเยบคายอยู่ในใจเสมอเนี่ยสำคัญให้เข้าใจกันไว้คนส่วนมากไม่ค่อยมีอุบายียบคายนะอยู่ซื่อๆไปซื่อๆนี่นะอันนี้แหละสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้นั่นเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามัน มันไม่มีเหตุผลเพียงพอมันก็ไม่ยอมละนี่มันยึดถือสิ่งใดไวปแล้วนะถ้าปัญญาไม่ชี้แจงให้จิตนี่เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นโดยแจมแจ้งแล้วจิตนี่มันไม่เชื่อหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไม่ยอมละเลยอ่าก็ยอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์จึงได้ทรงอุปมาอุปมาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไร ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังหลายสิ่งหลายอย่างดังเช่นทรงเปรียบเทียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษมูสัต์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมาก ลองคิดดูสิ <c oughs> พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะเป็นความจริงไหมเราผู้ฟังเราเห็นตามไหมนี่ลองพิจารณาดูว่านาทั้งหลายเนะี่ยมีอะไรเป็นโทษบ้นี่มันก็มีหญ้าเป็นโทษไม่ใช่เหรอบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจซ้ำเลยว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ ก็ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งคือว่านานั้นน่ะธรรมดาเราต้องปลูกข้าวลงไปมเมื่อข้าวจเจริญงอกงามขึ้นหญ้ามันก็จเจริญขึ้นตามกันหญ้านั้นนั่นก็ไปแย่งกินอาหารข้าวข้าวนั้นได้อาหาร <c oughs> ไปเลี้ยงลำต้นไม่เพียงพอ <c oughs> มันก็ไม่งาม ม, <c oughs> มันก็สูบซีดไปอย่างนี้แหละ เหตนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่านาทั้งหลายมียาเป็นโทษนั่นน่ะทีนี้ถ้าว่าเราไปถอนยานั้นออกเสียต้นข้าวนั้นมันก็รากข้าวนั้นมันก็หาอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันได้เต็มที่เลยเพราะไม่มียาไปแย่งกินอาหารมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละทานทั้งหลายที่ทา ย, ยกทายิกา ได้ถวายแก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมาก mm. ถ้าไปให้แก่ท่านผู้มีหนาแน่นไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วไม่มีผลมากเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจิตใจของผู้ให้นั่นก็ไม่มีความเลื่อมใสามากคือไม่มีความเลื่อมใสผู้ผู้รับทาน พอมองเห็นว่าผู้รับทานนั้นเต็มไปด้วยกิเลสอย่างนี้น ะ, ะให้ด้วยความจำใจอย่างนี้น ะ, ะความพอใจในการให้ไม่ไม่เต็มที่อย่างนี้แหละสาเหตุที่อานิสงส์ไม่แรงนะถ้าถ้าเรามองเห็นว่าท่านผู้รับทานของเรานั้นนะ่เออท่านผู้นี้นะั่นทันละราคะโทสะโมหะได้จริงในความ <c oughs> ในความรู้สึกของเรานะมันเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วเราก็เต็มใจให้เลยได้เกิดความเรื่มใสขึ้นในใจก่อนให้ซ้าเป็นไรอะในขณะในขณะที่ให้อยู่นั้นก็ดีอกดีใจหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ดีอกดีใจ อ, อิ่มใจอยู่ไม่รู้หายอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นแหะมันถึงได้มีผลมาก ในเรื่องนี้นะจะ ย, ยกอุทาหรณ์มาให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง <c oughs> พนางมหาประชาวดีโคตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระศาสดาเมื่อทราบข่าวว่าพระศาสดาได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็เสด็จมาปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่กรุงราชชือมหานคร พนางก็ลีบทอผ้าไว้ทั้งคู่หนึ่งล้วนแต่สีสวยสดงดงามเนื้อละเอียดทำด้วยมือของตัวเองหวังว่าจะเอาไปถวายพระบรมสารสดา mm hmm. เมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงกบินลพัทในขณะที่พระองค์และพระสงฆ์ประทับนั่งอยู่ พระนางก็น้อมภาคคู่นั้นก็ไปถวายพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระนางถวายแกสงพระนางอ้อนวอนอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทรงรับแม้ไปถวายท่านภาษาได้บพระโมคขันลาไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็แนะนำให้ถวายแกสงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนางก็ไม่ยอม ก็พยายามถวายองค์นั้นองค์นี้ไปองคไหนก็ไม่รับจนว่าไปถึงองค์สุดท้ายนนองค์สุดท้ายนั้นเป็นพระหนุ่มบวชใหม่ยังไม่มีมัคมีผลอะไรเลยมันนี้พระนางก็เสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรง หาหนทางระงับความเสียพระไทยของพระนางมหาปชาบรีโคตมีซึ่งองอเป็นพ่อแม่เลี้ยงของพระ อ, องค์ <c oughs> <c oughs> องค์เจ้าจึงเอาบาทนั้นมาวางใส่ฝ่าพระหัตของพระ อ, องค์แล้วก็ทรงอธิษฐานว่าขอให้บาทลูกนี้จึงเลื่อนลอยหายเข้าสู่กรีบเมฆไปอย่าให พระสาวกองคได้แสวงหาได้นอกจากอาชิตตะภิกษุอ์ค์เดียวเท่านั้นคือองค์ที่รับผ้าคู่นั้นนั่นเองแหละเมื่อพระองค์ที่ฐานอย่ในีบาดนั่นก็เลื่อนลอยเข้าสู่กรีดเมฆไปเนื้อพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายไปตามหาบาดพระองค์ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นภูมิริศมีเดช ท, ทั้งก็เหาะไปคนละที่ละทางท่านพระมหาโมคขลานะัมีฤทธเดชมากกว่าเพื่อนเหาะเข้าไปสเสวงหาทุกกระเบียดนิ้วทั้งในพื้นแผ่นดินทั้งในน้ำทั้งบนอากาศตลอดถึงพรห ม, มโลกนั่นก็ไม่มีไม่ได้องค์ใดก็กลับมามือเปล่าทั้งนั้นเลย พระศาสดาจึงได้ทรงรับสั่งให้อชิตตาภิกษุนั้นจงหาเอาบาตเรา ถ, ถาคตสิ เ, เพราะอาชิตตาภิกษุไม่มีเลืดเดชอดอะไรนี่เหาะก็ไม่ได้ท่านก็ลุกขึ้นจากที่นั่งมากราพระศาสดาแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ต้องการรับสักการะอะไรทั้งหมดเลยข้าพเจ้าบวชมานี่เพื่อสร้างบุญบา ร, รมีขอให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณในอนาค ต, ตการเบื้องหน้าถ้าเรื่องนี้เป็นความสัตย์ความจริงแล้วถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู์เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ขอให้บาททรงของพระองค์นีจงเลื่อนลอยมาสู่ฟ้า มือของข้าพเจ้าในบัดนี้พออธิษฐานจบลงอย่างนั้นทันใดนั้นบาททรงของพระพุทธองค์ก็เลื่อนลอยมาสู่มือของอธิตฐานิกูุนั้นท่านก็น้อมเข้าไปถวายพระพุทธองค์เมื่อพระนางมหาประชาบุรีโกตมีเห็นอย่างนั้นก็จึงได้ดีพระไทยแบเนี้อ่า ที่เสียพระไทยมาแต่ก่อนนั้นก็กลับดีขึ้นว่าแหมภิกษุหนุ่มองค์นี้นับว่ามีบุญวัดสนามากทีเดียวสามารถอธิษฐานเอาบัตร่งของพระพุทธองค์มาได้พนางก็ได้ความเลื่อมใสได้ความปีติยินดีในทานที่ตนได้บริจากนั้นเพราะว่าท่านอาชิตาวิกษุไม่ใช่เป็นคนหนาไปด้วยขี้เลสนี่ ท่านมีบุญญาีิการอันใหญ่ยิ่งจะได้ตัดสรู้เป็นพระสีอริยเมตไตรในอนาคตอันไม่ไกลนี้เองแหล ะ, ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระนางจึงได้เกิดปีติปราโมทย์อย่างแรง <c oughs> นี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันก็ต้องอาศัยความพอใจความเลื่อมใสเป็นที่ตั้ง สาเหตุที่จะมีอานิสงส์มากนั้นนะ่ะก่อนที่เราจะเลื่อมใสใครเราก็ต้องมองเห็นถ้าคนนั้นนั้นมีคุณวุฒิสูงกว่าเรามีคุณวุฒิอันสูงทีเดียวจนทําให้เราเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อมันพอใจเต็มที่แล้วอย่างนั้นความต์หนีเหนียวเนี่ยในสมบัติเข้าของหรือวัตถุทานต่างๆเหล่านั้นไม่มีเลย โยมสละออกให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางไปตั้งเป็นกองๆเลยทีเดียวทำให้ความตนันหนีเหนียวแน่นต่างๆนั้นถอนออกไปจากกิจใจอย่างมากมาย <c oughs> ทำให้ส ก, กายทิฐิความ เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนั้นก็ลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจเพราะถ้าใครยังหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้อยู่ก็จะไม่ยินดีในการที่จะสละวัตถุเข้าของเงินทองออกให้เป็นทานได้เพราะว่ามาคิดว่าถ้าหาก ว, ว่าตนสละเข้าของอันนี้ให้เป็นทานไปก็จะไม่มี เงินทองซื้ออาหารปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้เพราะว่าห่วงแห็นนักร่างกายนี้นะเป็นอย่างนี้เมื่อห่วงแห็นมากเท่าไรก็ความตะนีก็บังเกิดขึ้นในดวงกิจเท่านั้นเองนะนี่เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่ถ้าหากว่าบุคคลให้ทานประกอบด้วยปัญญาแล้วทําให้กิเลสน้อยเบอบางออกไปจากกิจใจได้มากมายทีเดียวนะ ไม่ใช่ต่ตําๆนะการให้ทานนี่นะต้องประกอบไปด้วยปัญญาถึงจะมีอานิสงส์มาก <c oughs> อีกอย่างหนึง่งการให้อภัยทานอย่างนี้นะไม่ใช่ทานต่ำตำแต่ก็ยากที่บุคคลจะให้ได้อภัยทานนี่นะอ <c oughs> ทําอย่างไรละอภัยทานนี่ถ <c oughs> ือว่าเมื่อมีใครเข้ามาร่วงเกินตนนะอ่า <c oughs> <c oughs> เช่นใครเข้ามาตาหนิปีเตียนตนหรือว่ามาคมเหงอะไรตนหรือว่าไม่แสดงความเคารพยำเกรงต่อตนอะไรหมู่นี้นะมายั่วให้ตนโกรธยั่วให้ทะเลวิวาทกับเขาอย่างนี้นะเรานั่นไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรเช่นนี้เราเราให้อภัยไปเลยเราไม่ตอบโต้หาทางหลีกเลี่ยงเลย อย่างนี้แนะ่ละท่านเรียกว่าอาภัยทานนะอืหรือว่าเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้เราไม่ฆ่าเราให้อภัยต่อชีวิตของมันไปเลยอย่างนี้ <c oughs> อย่างสัตว์ที่มีพิษอย่างเนี้ยมันกัดเข้าไปนะคนที่ไม่ยอมให้อภัยต่อสัตว์เหล่านี้มันจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยอ่ะฆ่ามันทันทีนะนี่แต่นี้ถ้าผู้ใดมีอภัยทานอยู่ในใจแล้วนะ่ะ เอามันกัดไปเจ็บป่วยไงก็ช่างเราให้อภัยมันเลยอย่าไปฆ่ามันถ้าขืนไปฆ่ามันก็มีเวรผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเอาให้มันกัดเราซะบางทีมันอาจจะมีกรรมเวรอะไรผูกพันกันมาแต่ก่อนก็ขอให้แล้วแก่กันไปอย่าได้ตามสนองกันต่อไปอีกเลยอธิษฐานใจละเว้นลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องกันไป ก็ไม่มีกรรมีเวรผูกพันกันต่อไปอีกนี่แหละคำว่าอภัยทานนะเพิ่งพากันเข้าใจเป็นทานอย่างสูงทำให้กิเลสท้อสาพยาบาติต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพุทเเจ้านี่ เป็นสรรทิติโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้เองเห็นเองหมายความว่ากิเลสชนิดนี้ตนได้ละมันมาแล้วอย่างนี้นะก ร, ะรู้ด้วยตนเองอว่าตนได้ละมันมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย <c oughs> ใครเป็นผู้ละคนนันก็รู้เอง <c oughs> หรือว่ากิเลสอันใดที่ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้ตนก็เป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย <c oughs> แม้ความทุกข์ก็เหมือนกันนะ <c oughs> ตนมีความทุกข์ใจอยู่อย่างไรกรน็นาทีของตนจะจะรู้เองแม้ไปพูดให้ผู้อื่นฟังเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอก ตัวเองแหละรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่างนี้มันรู้ด้วยตนเองเลยแม่ทุกข์กายก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้อย่างนี้ชะไหนละมันจึงจะเอาชนะทุกข์ได้ชะไหนมันจึงจะละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะเมื่อเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันนะ่ะเอ๊ะมันทุกข์ใจนี่มันเพราะอะไร มันมีเหตุมาอย่างไรจิตของเราจึางเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ต้องสาวหาต้นตอมันแหละมันต้องมีถ้าไม่มีเหตุทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยทุกข์ทางใจนะแต่ทุกข์ทางกายนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าโรคภัยม่เบียดเบียนแล้วร่างกายนี่มันก็เป็นปกติมันก็ไม่ปวนปันวันไหวเท่าไหรนะ่นักอย่างนี้นะแต่ที่นี้ถ้าว่าโรคไัยเบียดเบียนเข้าร่างกายนี่ ส่วนไหนที่โรคไัยเบียดเบียนร่างกายส่วนนั้นก็ต้องแปรปรวนอเป็นต้นว่าปวดท้องปวดศีรษะปวดหลังปวดเอวอะไรหมู่นี้นะ <c oughs> มันก็เพราะมันมีโรคภยัยไปเบียดเบียนมันมันถึงแปรปรวนไปอย่างนั้นเม้ดวงกฤษนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละก็เพราะว่าจิตนี่มันยึดเอากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะ กิเลสดันนั้นมันทำพิษอ่ะทีเนี้มันทำจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนอผู้ใดไม่ภาวนาเข้ามาในปัจจุบันไม่ไม่มาเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วจกไม่รู้เลยว่าจิตตนนั้นมันยึดอะไรไ<ว>ที่จะไปขับไล่กิเลสออกจา ก, กจิตใจของใครได้เพราะฉะนั้น ในอวสานแห่งธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี่เมื่อสรุปใจความแล้วเบื้องต้นก็ได้แนะนำให้พยายามตั้งสติดังนั้นเมื่อเรามาน้อมสติเข้ามาควบคุ ม, จ, จ, รรมจิตอยู่ในปัจจุบรรันนี่มาเพ่งจิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะ กิเลสที่มันหมักดองอยู่นี่มันจะทนอยู่ไม่ได้